นราสะพนอเนกสุบาโสติงสะปารมีนามามิศิราสานิจังปุเรตวะอาคตวรังโมขังนาทวิชันโตดาวยังหิตวาสระตะคังโมทังวเนสุดูการัง นามามีเิราซาดารังพระนราสภัผู้บำเพ็ญพระบารมีสามสิบทัศนับพ บ, น, บนับชาติไม่ทวนได้ทรงสเสด็จมาดีแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนราสภ พ, พระองค์นั้นผู้ทรงมีพระบารมีอย่างยิ่งเป็นนิดพระนาถาเจ้าทรงปราถนาโมกษธรรมทรงตราพระราชโอรส พระราชธิดาและพระมเหสีพร้อมทั้งแว่นแหวนเสด็จรื่นลงในภัยสงฆ์ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาเจ้าผู้ทําสิ่งที่ทำได้ยากพระ อ, องค์นั้นด้วยเสียนก้าบขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความคเคารพเอื้อเฟือเขากาดคณะสงฆ์ที่มาประชุมกันณสถานที่แห่งนี้ในการกราบพรธรรม ขอความเจริญในธรรมยงมีแด่ญาติยมพุทธบริษัททั้งหลายขอเราท่านทั้งหลายในโอกาสบัดนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจในการสดับตรัพปางพระสัตธรรมเราท่านทั้งหลายที่มีโอกาสในฐานะทีนเป็นพระได้มีโอกาสมาเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดญาติยมทั้งหลายมีโอกาสในการมาเจริญกุศลกันมาประพฤติปฏิบัติ อยู่ปริวาสกรรมบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทเขาไว้พอพูดถึงในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานตอนนั้นพระพุทธเจ้าตรัสบอกแก่พระนนและพร้อมภิกษุสงฆ์ว่าในมหาปรินิพานสุข พระเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนอานนท์ทำและวินัยที่พระสัทถาคดแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราพระบรมศาสดาปรินิพานเป็นหนึ่งแต่พระธรรมวินัยเป็นพระบรมศาสดาก็หมายความว่าพระวินัยพระวินัยยบิดกสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันพระสุตันตบิดก2 1ง0 0ืพันพระธรรมะขันพระสุตตันตบิดอก42่0 0ืพันพระธรรมะขัน รวมเบเส็กก็คือว่าพระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย8ปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์จะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปเห็นเรายี่เป็นต้นแสดงให้เห็นชัดว่าพระศาสดาปรินิพานหนึ่งแต่มีพระบรมศาสดาในฐานะเห็นพระธรรมวินัยแปดหมืี่พันพระธรรมขันธ์ยังทํากิจของพระบรมศาสดาอยู่แม้ณักขณะนี้ทีนี้ถ้ามามองในลักษณะอย่างนี้จะทําให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นว่า หพระวินัยก็เป็นพร ะ, พระาศาสดาสองพระธรรมก็เป็นพระาศาสดารวมเบ็ดเสร็จก็คือว่าพระาศาสดายัางทำกิจในการที่เป็นาศาสดาอยู่เสมอพระาศาสดาปรินิพานไปนั้นหมายถึงรู ป, ปรขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือกระแสชีวิตเพราะการนิพพานมีอยู่3ประการใช่ไหมครับการที่ได้ตัดสรุ่นุตตะ ส, สัมมาสัมโพธิญาณนะควงไม้โพธิพฤกษ ตอนนั้นพระบรมศาสด า, สดาทําให้กิเลสนิพพานราคะโทสะโมหะมานาทิฐิวิจิกิชฌาหิริการโนตปะอุทธจักบาปกศุศลกรรมชั่วร้ายทั้งหลายก็ปรินิพพานณ่าควงไม้โพธิพุกนั้นก็เรียกว่ากิเลสนิพพานเมื่อกิเลสนิพพานจากขันธสันดานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยขันธสันดานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สะอาดบริสุทธิ์หมดจดไม่มีกิเลสคือราคะโทสะโมหะไปกุ้มรุมอีกเลย พระบรมศาสดาทรงตัดกิเลสได้เป็นสมุดเฉทัพหารอย่างอริยมรรคอาริยผลโดยเฉพาะอรรถมรรคอรรถผลให้ประชมตั้งขึ้นมาอย่างกิเลสพร้อมได้วาสนาทั้งหลายเหล่านี้ให้ขาดสะบันกระแสขันกระแสชีวิตของพระบรมศาสดาก็ได้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดครั้งนั้นเรียกว่ากิเลสนิพา น, นกิเลสใ น, นนิพานไปแล้วทีนี้หลังจากที่พระบรมศาสดานั้นกิเลสนิพานแล้วเนี่ย พระบรมศาสดาก็เป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดพระองค์ก็ทรงเสวยมุติสุขนักควงไม้พธิเพึกในสั ป, ปดาห์แรกเจวันใช่ไหมครับสั ป, ปดาห์ที่สองก็ประทับยืนอยู่ที่อนิมิสเจดีไม่กับพิภเนศมองมาที่ต้นพระเสมาโคที่ไดรัตนบัลลังก์สั ป, ปดาห์ที่สก็เสด็จนารัตนจงกรมเจดีอีก7วัน สัปดาห์ที่4ก็อยู่ที่รัตนคราชีดีสัปดาห์ที่หก็อยู่ที่อชาชพารานิโคเจดีสัปดาห์ที่6ก็อยู่ที่สักมุตจลินนะสัปดาห์ที่7ก็ราชายตนะรวมเบ็เสร็จก็คือ7สัปดาห์สีวันนั้นทรงสวยมุตติสุขสิ่งที่ควรจะพิจารณาอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อพระบรมศา ส, สดาได้เสด็จได้ทรงทํากิเลสให้นิพพานแล้วเนี่ย พระ อ, องก็ทรงสวยมุติสุขสุกที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีกิเลสเข้าไปเกลือกรว้วในกระแสของชีวิตความสุขที่เกิดขึ้นจากการเข้าอยู่ในสมาบัติไม่ว่าจะเป็นพระสมาบัติหรือนิโรธสมาบัติที่ทรงเข้าสวยมุติสุขนั้นน่ะโดยเฉพาะให้สังเกตดูตอนที่พระบรมศาสดาทรงประทับยืนอยู่ที่อนิมิสเจดี ก็ส่งเพ่งไปที่ต้นพระศีมหาโพลและรัตนบัลลังก์หรือบัลลังก์เจียนเจดีนั้นพระองค์ก็พิจารณาว่ากว่าจะได้มาตัสรู้นุตรสำ ม, มาสัมพุธิญาเ น, นี้พระองค์ทรงบำเพ็ญบา ร, รมีสาสิบทัศใช่ไหมครับทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสาจาัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาทรงบำเพ็ญอุปบา ร, รมีสิบปรามัตตบา ร, รมีสิบมหาปริจาคะาห้ามีทานะจะปริจาค้าเป็นต้น จนถึงการสละชีวิตเป็นที่สุดทรงบำเพ็ญบา ร, รมีอย่างนั้นแหละมายี่สิบสมขายยิ่งด้วยแสนมหากับกว่าจะได้ตัสรุนตระสัมมาสัมพุทธิยานั้นทรงหมุนบา ร, รมีอย่างอุกฤษอย่างรุนแรงอย่างบากบัน่นอย่างมุ่งมัน่นทำบา ร, รมีธรรมดาให้ขยับขึ้นมาเป็นอุปบา ร, รมีและให้เป็นปรมาธบา ร, รมีทรงบาเพ็ญบา ร, รมีเหล่านั้นด้วยความแกล้วกล้าอาถรรพ์ ที่บอกว่าหนึ่งอโรมพัฒ ช, ชาสยะอัธยาศัยที่ไม่โลภมีอัธยาศัยไม่ติดข้องไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินในสีเสียงกลิ่นรสผลพัฒนาและธรรมารมสองอโทสัจชาสยะอัธยาศัยที่ไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทในหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายในสกากลจักรวาลมีใจที่น้อมไปในการเมตตากรุณาอยู่เป็นต้นสอโมหัตชาสยะอัธยาศัยที่ไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลง ทรงเดินปัญญาอย่างมุ่งมั่นอย่างอุกฤษในการด้วยความชาญฉลาดใช้ปัญญาอย่างหนาปัญญาอย่างรวดเร็วปัญญาอย่างแหลมคมฝึกผลพัฒนาปัญญาให้เกิดความกล้าเพื่อจะบ่งเพาะปัญญาบารมีนั้นให้เข้าถึงความสูงสุดเพื่อประกาศหลักการของพระ ร, รัตนตรัยเมื่อได้ตรัสรู้แล้วเป็นต้น ประการต่อมาคือปวิเวกัชาสยะอัตยาศัยก็คือน้อมเข้าไปในการไม่คลุกผีได้หมู่คณะไม่คลุกผีด้วยกิเลสพระองค์ไม่มัวเมาไม่พัวไม่เพิดเพลินด้วยราคะโทสะโ ม, มหะน้อมใจออกจากการคลุกผีประการต่อมาคือเรื่องเลขขมัตชาสยะอัตยาศัยในการที่น้อมในการที่จะออกจากการรมน้อมในการออกบวชนั่นเองถ้าพูดถึงในเรื่องของเนลขขมั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อของอะไร เป็นชื่อของคุศลที่น้อมออกจากกามทั้งหลายหรือเป็นชื่อของปฐมบัชฌานเป็นต้นก็เรียกว่าเนคขมมะหรือว่าวิปัสสนาญาณคือปัญญาที่เป็นทรวดทะลวงไปเห็นความจริงของกระแสชีวิตยกกระแสชีวิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาเป็นต้นเนี่ยอันนั้นก็คือปัญญาในการที่ฌานฉลาดอย่างนี้เป็นเลขเป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นชื่อของเนคขมมะเหมือนกันและเนคขมมะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นชื่อของพระนิพพาน ก็คือเป็นสภาวะที่ดับวัตทุกดับกิเลสและกองทุกเป็นสภาวะที่ดับแล้วก็เย็นเป็นสภาวะที่ไม่ตัดกระแสของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรเป็นต้นเหล่านี้เพราะนิพพานนี่เป็นบรมธรรมเป็นจุดหมายสูงสุดของพุทธบริษัท เพราะเป็นจุดหมายสูงสุดเท่าถามบอกว่าการบรรพชาอุปสมบทก็ดีการเข้ามาในพระรัตนตรัยก็ดีเนี่ยจุดหมายสูงสุดก็คือเพื่อต้องการจะกระทําอนุปาทาปรินิพานคือการดับกิเลสและกองทุกข์ให้หมดซึ่งจากกระแสของชีวิตอย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาก็คือว่านิสระนัทธชาสยะ ก, ก็คืออัธยาศัยในการที่เห็นพบทุกพบเนี่ยในการที่ปรารถนาจะยกตนออกจากการมภูมิรูปภูมิและรูปภูมิ เห็นพบทุกพบประดุดดังไฟไหม้ก็คือน้อมกระแสชวิตออกจากพบอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นได้ชัดว่าพระบรมศาสดาตอนเป็นพระโพธิสัตว์หรือขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นน่ะพระองค์บําเพ็ญบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมาทบารมีสิแล้วก็บําเพ็ญนี่แหละอัธยาศัยทั้ง6ประการถามว่าอัธยาศัยทั้ง6ประการเนี่ยทำให้เกิดให้มีขึ้นได้อย่างไรก็ทําให้มีให้เกิดขึ้นด้วยกันด้วยการขจัดความ โลภเพื่อเข้าถึงความไม่โลภอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรรู้ไหมครับในขณะที่เราเห็นเราได้ยินได้กลิน่นลิ้มรสสัมผัสคิดนึกตลอดถึงคิดนึกในธรรมารมณ์ที่มากระทบทางใจทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าเราเกิดความโลภความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินขึ้นมาปุ๊บเมื่อความโลภความกำหนัดความยินดีนั้นดับลงความโลภเหล่านั้นอ่ะมันจะถูกดาวน์โหลดลงปุ๊บลงสู่จิตใจกลายเป็นการมราคานุสัย มันฝังแน่นติดขันธสันดานแล้วพร้อมที่จะเป็นระเบิดเวลาในการผกขึ้นมาอีกทันทีความโกรธความอาฆาตความพยาบาทที่มันเกิดขึ้นในกระแสชีวิตถ้าหากความโกรธนั้นมันดับมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันดาวน์โหลดลงเนี่ยมันเก็บไว้ในขันทัสันดานมันก็กลายเป็นปฏิฆานุัยก็คือฝังแน่นในขันทสสันดาน เมื่อมีอารมณ์มีเหตุปัจจัยมากระทบพร้อมจะเกิดขึ้นมาเป็นปัญญุฐาแนาเลวีติกมากนี้เป็นต้นส่วนความหลงความมืดบอดความไม่รู้เนี่ยในขณะที่มันเกิดขึ้นมานี่นะความพงส่านความลำคาญใจทั้งหลายที่เป็นความมืดบอดความหลงเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อความหลงเหล่านั้นน่ะมันดับลงโดยชนิดที่เราไม่ได้ชําระสาสางมันก็จะกลายเป็นอวิชชานุสัยติดแน่นในขันตสันดานสืบต่อไป ส่วนมานะคือความยกตนชูตนเปรียบเทียบตนเนี่ยเวลามันพองตัวขึ้นมาพอมันดับลงไปโดยไม่ได้ชำระมันก็กลายเป็นอนุสัยเขาเรียกว่ามานานุสัยมันก็ติดแน่นในขันธสันดานต่อไปส่วนทิฏฐิคือทัศนะที่วิปริติภวิปราคือความเห็นผิดเวลามันเกิดขึ้นมาล่องลึกและแข็งทื่อเนี่ย เวลามันเกิดทิฏฐิมียึดความเห็นยึดทัศนคติยึดลทัทธิยึดความเชื่อโดยโดยไม่รู้เหตุรู้ผลอย่างนี้เป็นต้นแต่พอทิฏฐิเหล่านั้นมันดับลงไปโดยไม่ได้ชำระสะสารได้ปัญญาอันยิ่งเนี่ยมันก็จะถูกดาวน์โหลดลงปายกลายเป็นทิฏฐานุสัยฝังแน่นติดแน่นในขันธสันดานสืบต่อไปส่วนวิจิกิจฉาความรังเลสงสัยความไม่มั่นใจรังเลใจในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของปาริยสง์ ไม่มั่นใจในศิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาว่าจะเป็นหลักการประพฤติปฏิบัตินําไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงหรือไม่เกิดลังเลสงสัยไม่มั่นใจในหลักการของพระรัตนตรัยอย่างนี้เป็นต้นพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเวลามันดับลงโดยชนิดที่วานมันไม่ได้ชําระได้ปัญญามันก็จะกลายเป็นอนุใสเขาเรียกว่าวิจิกิจฉานุสัยอย่างนี้เป็นต้นหรือความติดข้องความยึดติดในกระแสของขันในกระแสของภพ มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยึดมั่นในพบของมนุษย์มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกมาเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็ไปยึดมั่นในกระแสะขันในกระแสะพบเหล่านั้นน่ยพอความยึดมั่นเหล่านั้นน่ยมันหมดเหตุปัจจัยแต่มันยังไม่ละ ด, ด้วยปัญญายิ่งมันก็จะถูกดาวน์โหลดลงกลายเป็นภวะราคานุสัยอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าทําไมเราจึงต้องสร้างอัธยาศัยทั้ง6 ถ้าเราไม่สร้างอัตยาศัยทั้ง6มันก็จะอัตยาศัยก็จะจมดิ่งไปเป็นการมราคานุสัยติดแน่นในการมคุณนอนเนื่องในขันธสันดานเพราะว่าปฏิคานุสัยก็ความโกรธความเกลียดความเครียดมันก็ฝังแน่นในขันธสันดานอาวิชานุสัยความหลงความมืดบอดก็ฝังแน่นในขันธสันดานเพราะว่าราคานุสัยความยึดติดในพบในขันก็ฝังแน่นในขันธสันดาน วิจิกิจฉานุสัยความรังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยก็ฝังแน่นในขันธสันดานมานานุสัยคือความยกตนชูตนเปรียบเทียบตนก็จะฝังแน่นในขันธสันดานทิฐานุสัยความเห็นผิดก็จะฝังแน่นในขันธสันดานแม้กระแสความคิดกระแสของการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่หยุดยังไม่ขาดอยู่ตามใดก็อาศัย้ตัวนี้แหละตัวอนุสัยนี่แหละที่ฝังแน่นในขันธสันดาน กิเลสที่ฝังแน่นในขันธสันดานเนี่ยจะต้องละได้ด้วยปัญญาในอริยมรรคถ้าไม่ได้ไม่สามารถประชุมปัญญาในอริยมรรคได้จึงไม่สามารถที่จะประหารอนุสัยเหล่านี้ให้ขาดโดยสมุดเฉทัประหารได้อย่างเด็ดขาดเมื่ออนุสัยไม่ถูกละด้วยปัญญาในอริยมรรคหมู่สัตว์ทั้งหลายก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์ตรีชานบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้าง พรมบ้างก็ไม่สามารถออกจากสังสารวัตรได้ที่เขาเรียกว่าการเกิดขึ้นสื่อต่อกันของขันนัยยตนาธาตุไม่ขาดสายในเรียกว่าสังสารวัตหรือเรียกว่าสังสาระเรียกว่าสังสาโรตีปวุจติเนี่ยคือมันไม่หยุดมันไม่ขาดลงสทัทีอย่างนี้เป็นต้นนี่คือปัญหาของสัตว์โลกนี่คือปัญหาของหมู่สัตว์ทั้งหลายพุทธศาสนาอุบัติเกิดขึ้นมาพระเจ้าเนี่ยตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ใช่ไหม ทำยานปัญญาเกิดขึ้นนะักวงไม้โพธิพฤกษ์ที่เรียกว่าโพธิโพธิเนี่ยศัพท์นั้นน่ยหนึ่งเป็นชื่อของต้นโพเป็นที่ตัสรู้นุตตรสัมมาสมัสมพุิญยานเป็นชื่อประชุมโพธิปกักขีธรรมสามประการของพระเจ้าใช่ไหมครับสติปฐานสี่สมปทานสี่อิทิบาทสี่อินทรีห้าพระหา้าโพชงเจ็ดอริยมรรตมีองค์แปดนี้เป็นต้นนั่นแหละประชุมโพธิปกักขีธรรมเขาจึงเรียกว่าต้นพระสีมหาโพ นั่นเป็นชื่อของโพธิสัพปะหนึ่งส่วนโพธิอีกสัพปะหนึ่งนั้นเป็นชื่อของปัญญาในมรรคยานทั้งสปัญญาที่ในโสดาปิมรรคปัญญาที่ในสกาทาคามิมรรคปัญญาที่ในอนาคามิมรรคและปัญญาที่ในอรหัตมรรคอันนี้เป็นชื่อของปัญญาในมรรคยานทั้ง4นั่นก็เรียกว่าโพธิส่วนโพธิอีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อของปัญญายานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระสัพพยุตยาน พระเจ้าเนี่ยมีอาสาธรรณยานหกประการใช่ไหมครับก็มีอนาวรณไยานอินเทียปโปรปริยติยานมหากรุณาสมาปฏิยานยมกกาปฏิหาเรียานอาสยานุสยยานและ พ, พัสัพยุตยานพัสัพยุตยานพยานที่สามารถแทงตลอดโลกธาตุทั้งสิน้นโลกธาตุมีเท่าไหร่พยานก็มีเท่านั้น กระแสชีวิตของสัตว์ในสากลจักรวาลมีเท่าไหร่พรยานของพระพุทธเจ้าก็มีเท่านั้นนี้เป็นต้นนั้นพยาญพระปัญญายาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทั้งตลอดทะลุทะลวงในโลกธาตุทั้งสิน้นฉะนั้นตัวนี้แหละปัญญานี้แหละเรียกว่าโพธิฉะั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญายาณที่ตักรู้อนุตตรสัมมาสมพปชยานทั้งตลอดอริยสัจธรรมทั้งสี่ทั้งตลอดทุกก็คือกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายด้วยการกําหนดรู้ ทังตลอดทุกขสมุทัยคือกิเลสมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นโดยการละโดยการประหาในหมดสิน้นทังตลอดทุกขานิโรธก็คือพันิพานนั่นเป็นบรมธรรมเป็นจุดหมายสูงสุดด้วยการรู้ถึงทั้งตลอดทุกขนิโรธจะคำนีป็ริปทาด้วยการเจริญด้วยการอบรมได้ทำทำให้มีให้เกิดขึ้นก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตัวเห็นในอริยสัจธรรมทั้งสี่เป็นต้นจนถึงสัมมาส ม, มาธิคือการตั้งมั่นในฌานทั้งสี่ ฉะนั้นพระเจ้านี่แหละัสรู้นุตรสัมมาสัมพทิญาณกว่าจะได้มาตอนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนได้ตัสรู้นุตรสัมมาสัมพทิญาณให้สังเกตนะครับตอนที่พระเจ้าได้ตัสรู้สัมมา ส, มาสัมปทิญาณสมวยมติสุขแล้วเนี่ยต่อมาพระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงธรรมะที่ทรงตัสรู้พอพิจารณาไปแล้วพระองค์ก็ทรงขวนขวายน้อยเนี่ยคำว่าของขนขวายน้อยในที่นั้นน่ะเพียงว่าเห็นว่าหมู่ศัพว์เนี่ย เป็นผู้ที่อะไรในถูกอะไรก็คือปัญหาเนี่ยเป็นเครื่องกลางกัน้นอวิชชาประกอบให้ติดอยู่ในการมาพบรูปพบอรูปพบเนี่ยพระองค์ก็ทรงน้อมใจไปในการที่น้อมพระทยในการที่จะไม่ประกาศธรรมะสั์นี้บางท่านไปแปลว่าท้อที่จริงไม่มีนะครับพระเจ้าเนี่ยตัสโรนุตระสามาสมริยญาแล้วคาว่าท้อไม่มีมีแต่บากบันก้าวไปใจสู้ ฉะนั้นพลังที่เรียกว่าชันทิฏฐิบาทเนี่ยมีใจรักอย่างแรงกล้าในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรสอวิริยทิฏฐิบาทมีจิตใจที่เกล้ากล้าอาถารก้าวไปใจสู้ยิ่งเจออุปสรรคยิ่งปัญญิ่งเจอปัญหายิ่งมีพลังอย่างเด็ดเดียว 3. จิตตัดจิตทิฏฐิบาทก็คือมีความมีจิตจิด จ, อจอ่ออุทิกายอุทิศใจในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากชาติทุกข์เป็นต้น ประการที่4ี่ก็คือวิมังสิทธิบาทก็คือปัญญาที่สอบสวนไตร่ตรองวิจัยแยกแยะฉะนั้นพระรัชยานั้นมีกําลังมีพลังชีวิตคืออิทธิบาทที่เต็มเปี่ยมในขันธสันดานนั้นจะไปแปลว่าท้อไม่ได้เพียงพระองค์ขนขวายน้อยเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นกิจที่พระรัชย์ทุกพระองค์ต้องทํำพอเมื่อพระองค์ทรงขวนขวายน้อยในการไม่น้อมพระทยัยในการที่จะโปรดสัตว์หรือสัตว์ขนสัตว์ออกจากสังสารวัฏเนี่ยก็เป็นกิจหน้าที่ของพรหม สามบดีพร้มก็เดือดร้อนก็ต้องลงมารัตนาประกาศบอกพร้มทั้งหลายในจักรวาลบอกว่าโลกจะวิบัติโลกจะชิบหายอย่างนี้เป็นด้นนะสับท่านใช้คําศับได้ใช้ศับแบบนี้ท่านก็ลงมารัตนาบอกว่ามูสัตว์ในสากลจักรวาลในชมพูทวีปถ้าพูดถึงทวีปเนี่ยถ้าพูดถึงทวีปใหญ่ๆเลยเนี่ยนะครับทวีปมีสี่ชมพูทวีปหมายถึงโลกทั้งใบ อุตรคูรุทวีปนั้นก็โลกอีกใบหนึ่งปุพพาวิาธีหาทวีปอปร拉โคยานทวีปใช่ไหมทวีปนั้นน่ยโลกที่มีมนุษย์ใหญ่ๆเลยเนี่ยมีสทวีปมีดาวสี่ดวงว่างนันดาวปเปรอะเนี่ยในโลกมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกชมพูทวีปถ้ามหาพรหมบอกว่าในชมพูทวีปเนี่ยบรรดาครูทั้ง6คือปุรณกัสปะมคทริโคสาละอชิตาเกสกัมพลปกุท ธ, ธกัจ ย, ยนะนี่คนน่าตบุตรสันชัยเวนพระบุตร บรรดาครูทั้งหกเนี่ยได้โปรยยาพิษคือมิจฉาทิฐิเนี่ยไว้เต็มในชมพูทวีปแล้วถ้าพระบรมศา ส, สดาเนี่ยไม่โปรดสัตว์บอกสัตว์ที่มีทุลีทุลีคือกิเลสในดวงตาเบาบางมีอยู่มูสัตว์ประเภทเนี้จกเสียหายจะวิบัติอย่างแน่นอนถ้าพระบรมศา ส, สดาไม่มีพระมหากราุณาธิคุณในการที่จะโปรดสัตว์ ขอพระบรมศา ส, สดานั้นจงมีพระหมหาการุณาที่คุณเนี่ยโปรดสักรหรือสัตว์ออกจากสังสารวัตให้ได้ดื่มดำอำมตะคือพระนิพพานได้ธรรมรสเข้าไปชำระล้างยาพิษหรือสารพิษที่บรรดาครูทั้งหลกโปรยไว้ในโลกใบนี้เธออย่างนี้เป็นต้นพระบรมศา ส, สดาก็รับอาราธนาที่ท้ามาหาพรหมอย่างนี้เป็นต้น ถ้าเราจะมองอย่างนี้จะเห็นได้ชัดว่ามูสัตว์ในยุคนั้นน่ะเขาเคารพไค่เขาเคารพพรมใช่ไหมครับเขาถือว่าพระพรมสร้างโลก พ, พระเจ้าสร้างโลกเนี่ยมูสัตว์ในยุคนั้นเขามีทิศที่สามกลุ่มใช่หมหนึ่งกลุ่มแรกเขาเรียกปุบเพกระตาเฮตุวาธาทิศทิ่กลุ่มนี้เชื่อกรรมเก่าฉะนั้นสุดจะได้สุขได้ทุกข์สมหวงังผิดหวงังได้ดีตกยากเขาโทษกรรมในอดีตหมดเลย ต้องงอมืองอเท้าในปัจจุบันนี้คือกลุ่มสัตว์กลุ่มแรกอะไรอะไรก็โยนให้กรรมแนอดีตตนเองสมหวังผิดหวังได้ดีตกยากอทิศถีแบบนี้ทัศนวิปริตแบบนี้แม้ชาวพุทธในประเทศไทยหรือในโลกก็เชื่อเชื่อว่าทั้งหมดเหล่านี้ที่เราได้ดีตกยากเนี่ยสมหวังผิดหวังโยนไปให้กรรมแนอดีตเมื่อโยนไปให้กรรมแนอดีตก็เลยไม่เชื่อมั่นชันทะในปัจจุบัน ไม่เชื่อมั่นความเพียรในปัจจุบันไม่เชื่อมั่นปัญญาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่เชื่อมั่นความแกล้งกล้าไม่เชื่อมั่นฉันทะไม่เชื่อมั่นวิริยะไม่เชื่อมั่นจิตตะไม่เชื่อมั่นปัญญาในปัจจุบันก็เลยปล่อยปะละเลยเพราะไปโทษกรรมเก่าอันนี้คือทัศนะที่วิปลาสที่พระเจ้าบอกว่านี่เป็นมิจฉาทิฏฐินะครับทัศนะที่สองเาเรียกอิสระนิมานวาททิฏฐิกลุ่มนี้เชือ่อเทพเจ้าเชื่อพระพรหมเชื่อดอนบดาลว่า มนุษย์ทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเนี่ยจะสมหวังผิดหวังได้ดีตกยากได้สุขได้ทุกเนี่ยเพราะมีเทพเจ้าคอยดนบันดาลอยู่มีพระพรหมคอยดนบันดาลอยู่กลุ่มนี้เสียหายสองส่วนส่วนแรกก็คือว่าพระพรหมไม่ได้สามารถดนบันดาลใครได้จริงเทพเจ้าไม่สามารถดนบันดาลใครได้จริงเพราะพระพรหมที่มารัตตานาพระเจ้าเป็นผู้ปกเปิดเผยเองสามดีพรหมเนี่ยในอดีตเป็นใครรู้ไหมครับ เป็นภิกษุที่อยู่ในาศาสตร์พระกัสสป่าสัมมาสัมพุทธเจ้าในาศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านบำเพ็ญบารมีได้ปฐมฌานในาศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านชื่อว่าสหากะภิกขุใช่ไหมครับแล้วท่านทําปฐมฌานนี้ตั้งขึ้นแล้วต่อมาท่านจุดติคือตายจากมนุษย์ก็เลยไปเกิดเป็นพรหมเพราะยังไม่มนิพพานเนี่ยท่านก็มายืนยันเองว่าเส้นทางหรือทางเดินของพรหมเนี่ย ก็ไปจากกรรมคือการกระทําถ้าใครอยากให้เกิดเป็นพรหมก็เจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปฐมฌ า, า, านทุติยฌานเป็นต้นถ้ากําลังฌานสมาบัติยังมีอยู่ตราบใดฌานสมาบัติก็นําเกิดเป็นพรหมอย่างนี้เป็นต้นและพรหมก็ไม่สามารถบันดลบันดาลใครได้ทุกคนก็ ม, กรร ม, น ม, น ม, มีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนใช่ไหมครับคำว่ามีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนก็คือว่ามีสุจริตกรรมและทุจริญกรรมที่หมู่สัตว์นั้งแหละ เป็นผู้ทำนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองก็แปลว่าสัตว์ทั้งหลายจะได้ดีตกยากเนี่ยสุจริตกรรมก็ตามส่งเสริมกระแสะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทุจริตกรรมก็ตามเบียดเบียนกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทุกๆอัตภาพที่เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าจริงๆมันอยู่ที่ไม่เงินทองรัตนาชาติแก้แหวนเงินทองนั้นไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงแต่สมบัติที่แท้จริงก็คือสุจริตกรรมและทุจริตกรรม ญาติที่แท้จริงก็คือโสจเรตกรรมและเทศจริตกรรมอย่างนี้เป็นต้นเนี่นะนั้นกลุ่มที่สองเนี่ยกลุ่มเชื่อเทพเจ้าพระเจ้าก่อ น, นี้คือทัศนาธาติวิปริตพอไปเชื่อเทพเจ้าโดนบรรดาลแล้วก็งองืงอ ง, งองเท้าก็ไม่ขวนขวายไม่เชื่อฉันท่าไม่เชื่อวิรยิยะไม่เชื่อจิตตาไม่เชื่อปัญญาในปัจจุบันก็กลายเป็นคนประมาทอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเสียหายสองส่วนส่วนส่วนที่สามเาเรียกอเหตุกะ วาทะทิฐิก็หมายความว่ากลุ่มนี้ไม่เชื่อเหตุปัจจัยเชื่ออะไรรู้ไหมครับเชื่อดวงดาวเชื่อหมอดูเชื่อดวงดาวเชื่อลัคนาเชื่อราศีว่าเนี่ยดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวบนท้องฟ้าทั้งหลายเหล่านี้มันมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ช่วงนี้ดาวราหูมาทับลัคนาหรือว่ามารักทับลัคนามาโคจรมาอยู่ใกล้โลกเป็นเหตุทาให โลกวันแปรเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนว้นนี้ทึ่งในโลกสื่อมวลชนในวิทยุโทรทัศน์เนี่ยหรือในสังคมไทยเนี่ยเรื่องหมอดูเนี่ยโอ้โ ห, หกลายเป็นใหญ่เป็นโตไปเนี่ยนี่ก็คือทัศนาที่วิปริตถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปฏิเสธทัศนานี้แล้วก็ทรงบอกว่านี่คือความเห็นที่วิปริตผิดเพีย้ยนพระพุทธเจ้านั้นสอนในหลักของตราใช่ไหมครับ กรรมในอดีตกรรมในปัจจุบันกรรมที่จะเป็นไปในอนาคตเป็นต่อหรอเนี้ยก็สอนเรื่องเจตนากรรมอย่างนี้ไปต้นทีนี้เนี่ยมองในลัตน์ไหนหลังจากพระเจ้าในรับปราธนาแล้วพระเจ้าก็เสด็จดําเนินจากโพธิมณฑลก็คือที่พุทธคยาดําเนินไปที่จะไปโปรดปัญญวิเครา์ทั้ง5้าท่านก็ดำํำบีว่าพระเจ้าในอดีตเนี่ยไปยังไงสรุปก็คือพระพุทธเจ้าในอดีต ท, ท, ท, ที่เขไปทางอากาศ พระองค์ก็พิจารณาดูว่าถ้าเราเสด็จดําเนินทางอากาศเนี่ยบุคคลที่เสียโอกาสก็คืออุปการชีวะอุปการชีวกในที่เสียโอกาสท่านก็เลยเสด็จดําเนินด้วยพระบาทเปล่าจากพุทธกยาเนี่ยเพื่อจะไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพอไปเจออุปการชีวกอุปการชีวกก็ตกตะลึงเห็นพระชุยวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเนี่ย ม, มีมหากริสระขนาดสาประการและนุบัญญัติแนะครับมีพระรูปนี่งดงามมาก แล้วก็พอเห็นฉับพันดลังสีที่แผ่มาก็อัศจรรย์ก็อุทานออกมาบอกว่าสหายเรียกพุทธจเจ้าเรียกพุทธเจ้าว่าท่านเป็นใครใครเป็นาศาสดาของท่านท่านชอบธรรมะของท่านบุญไดเป็น ต, ต้นเหล่านี้พระบรมศาสดาก็ตรัสบอกว่าสหายเรามีนามว่าอ น, านันตชินะเราเป็นผู้ครอบงํากิเลสที่เป็นไปในภูมิสามคือกามภู ม, มิรูปภูมิอรูปภูมิ เราสามารถครอบงํำทำที่เป็นไปในเราแทงตลอดทำที่เป็นไปในภูมิทั้งสี่คือการมาภูมิโรคประภูมิโรคประภูมิและโรคอุตรภพภูมิได้ด้วยตนเองเช่นนี้แล้วเนี่ยจะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาเราไม่มีอาจารย์อาจารย์ของเราไม่มีเป็นต้นเหล่านี้อุปการก็อัศจรรย์แล้วก็เกิดปลาโมดปีตินะครับเกิดปลาโมดปีตินะการที่แลบลิ้นและ ส, ส่ายสันหัวนี่คืออาการเคารพ แล้วก็จากไปเนี่ยอุปกาชีวกได้อธัธยาศัยแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยอุปการชีวะเนี่ยไปมีสึกไปมีครอบครัวแล้วต่อมาก็เกิดความทุกข์แล้วก็มีโอกาสไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและฟังธรรมอยู่พระพุทธเจ้าได้ไ ด, ได้บรรลุนั้นนั้นไม่ไ ม, ไ, มไม่กล่าวทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดอุปการพระพุทธเจ้าบอกแก่อุปการบอกว่าเราจะไปแคว้นกาสีไปลั่นกองเพลี แปลว่าอะไรรู้ไหมครับท่านจะไปที่แฝนไปวรนาสีเนี่ยไปลั่นกองรบกองเพลียคือกองอมตะเนี่ยปลุกหมูสัตว์ที่หลับอยู่เนี่ยให้ตื่นขึ้นมาบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหลับไหลด้วยอํานาจของกิเลสราคาความกําหนับหนัดเนี่ยถ้าไม่สัตว์หลับไหลอยู่โทษาความโกรธทําให้สัตว์หลับไหลอยู่โมหาความมืดบอดทําให้สัตว์นี่หลับไหลอยู่ บาปปัจจกรรมมันชั่วร้ายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในการปรภูมิรูปประภูมิมรูปปภูมิติดอยู่ในรูปเสียงจิตรดผลิตภัณและธรรมารมณ์มู่สัตว์เหล่านั้นพากันหลับไหลหลงไหลมัวเมาอยู่ท่านก็เลยบอกว่าท่านจะไปลั่นกองลบณ์ที่นั้นแหละที่ป่าอิสิ ป, ปตนมฤรทษายวันแขวงเมืองพระราณศีก็คือไปปลุกมู่สัตว์ให้ตื่นถ้าพระคุณเจ้าทั้งหลายเนี่ยเคยไปที่อินเดียเนี่ยจะไปเห็น ที่วรารณสีเนี่ยจะมีสถูปอยู่สองสถูปนะครับสถูปใหญ่ๆสถูปหนึ่งเขาเรียกว่าทำไม่กัดสถูปทำไม่กัดสถูปอีกสถูปหนึ่งาเรียกธรรมราชิกัดสถูปธรรมราชิกัดสถูปเนี่ยโดนพระเจ้าแผ่นดินของคินโดเนี่ยในยุคนั้นน่ะเอาทหารมาลื้อแล้วก็ อ, อิดเอาอิดอปูลเอาอิฐเอาหินทั้งหลายเนี่ยไปถมถนนไปสร้างสถานที่ในยุคนั้น แล้วก็เลยเป็นสถูปที่โดนตัดหายไปแต่ยังมีมีซากสถูปที่มีฐานสถูปมหือมาอยู่สถูปนั้นก็เรียกาธรรมราชิกสถูปก็ปแปล ว, ว่าสถูปที่สร้างถวายพระธรรมราชานั่นแหละคือเป็นสถานที่ที่พระบรมศาสดาไปลั่นกองลบไปลั่นกองลบสู้กับมารคือกิเลสมารเป็นต้นพระบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยยอมจำนวนใช่ไหมครับยอมจำนนแก่มาร น, นะครับ คือคือราคาโทรสามโมหามานะที่ถิวิจิกิชาอย่างนี้กับอนุอนนตบะอุทธจัสมูสัตีิยอมจำนนให้สังเกตดูครับเวลาความโลกเนี่ยมันต้องการอะไรนะมันจะใช้เราให้ไปอย่างไรเราทําตอบสนองมันทุกอย่างเรายอมจำนนมันทุกอย่างให้สังเกตด้วยนะครับมันต้องการอยากกินอาหารอร่อยแล้วก็ไปเรามันต้องการอยากจะได้บ้านอยากจะได้รถอยากจะได้ทรัพย์อยากจะได้ยอดอยากจะได้เอกกราบชื่อเสียง เรายอมจำนวนงกๆเงินเงินมันบีบมันบังคับมันคอนโทรเราทุกเรื่องแล้วเราก็ยอมรับใช้ไปทาดมันโดยซิโรลาฟความโกรธเนี่ยมันจะบังคับให้เราไปด่าใครไปฆ่าใครไปประทุธสลายใครไปเบียดเบียนใครไปคิดอาฆาตพยาบามบ่ใครเราก็ยอมรับใช้มัน ความลังเลสงสยัยความมืดบอดความฟุ้งซ่านลำพานใจมันจะปิดบังใดๆให้เรามืดบอดหลงไหลอ ย, อยู่ในกามาคุณโลกประคุณและกปคุณเนี่ยโูกปภูมิกามาภูมิโลกภูมิและโภูมิหลงไหลอ ย, อยู่ในสีเสียงกลิ่นรสผัสสะหลงใจไหลอ ย, อยู่ในบุตรภรรยาสามีญาติมิตรเราก็ยอมไม่งอหัวขึ้นเลยนี่แปลว่าอะไรมูสัตว์ยอมจำนนต่อราคาโทสาโมหะยอมเป็นทาแตแก่ราคาโทสาโมหะในบทสวดมนต์เนี่ยครับ ให้สังเกตดูไหมว่าที่ว่าพุทธทาหสมิทาโซโทเมสามิกิสรโรไปต้นเนี่ยข้าพเจ้าเป็นทาตของพระทเจ้าพระธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาตของพระธรรมข้าพเจ้าเป็นทาตของพระสงฆ์นี่แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเราเนี่ยเห็นความเจ็บปวดหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเห็นความเจ็บปวดของการเป็นทาตของราคาโทสาโ ม, มหะเป็นทาตของกิเลส แล้วเรายอมจำนนต่อราคะโทสะโมหะโดยชนิดที่ไม่เคยอยากจะลุกขึ้นมาต่อสู้หรือต่อต้านต่อราคะโทสะโมหะหรือทุจริตทั้งหลายเป็นต้นเลยทีนี้พอเราเข้ามาถึงเข้ามานับถือพระรัตนตรยัยเราบอกว่าเอาละอยากจะประกาศเลิกทาตสียทีเราเป็นทาตของกิเลสเป็นทาตของวัตตะเป็นทาตของสังสารวัฏมานานแล้วขอประกาศว่าต่อไปเราจะขอเป็นทาตของพุทธ เป็นธาตุของธรรมะเป็นธาตุของสังขะเราขอเ ห, หมือนที่บอกว่าอัชะอาทิงกตวาอาหารพุทธะอัตานังนิยาเทมิเนี่ยอาหารธรรมสะอัตานังนิยาเทมิอหารสังขะอตานังนิยาเทมิอิติมังทาเรทาติเนี่ยข้าพเจ้าก็ทําวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราเท่าสิ้นชีวิตมอบตอนอุทิศถวายแด่พระเจ้ามอบตนอุทิศถวายแด่พระธรรมมอบตนอุทิศถวายแด่พระสงฆ์ขอพระพุทธเจ้าโปรดจํำข้าพเจ้าอย่างนี้เห็นไหม แต่ว่าอะไรเนี่ยเราไม่ยอมจำนนต่อราคาโทสาโมหะเราไม่ยอมจำนนต่อกิกเลสบาปกรรมทั้งหลายเป็นต้นก็เลยมาสมาทานขอเป็นทาาของพระเจ้าขอเป็นทาาของพระธรรมขอเป็นทาาของพระสงฆ์นับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปและจกไม่กลับไปเป็นทา่าของราคาโทสาโมหะอีกอย่างนี้เป็นต้นที่เป็นการประกาศยืนยันเลิกทาาเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้น ให้พระเจ้าเนี่ยที่ไปไป่ายิสิปตนาบฤุกทยายวันเนี่ยไปลั่นกองเคลีเนี่ยคือกองอมตะเนี่ยก็คือกองรบนี่แหละต้องการปลุกมูสัตว์ที่ตื่นตื่นจากความหลับไหลด้วยอำนาจงกิเลสเวลาพระเจ้าแสดงธรรมจั ก, กระกปฏนาสูตรเนี่ยเขาแปลว่าไปหมุนกงล้อเห็นธรรมะใช่ไหมครับไอ้คำว่ากงกงล้อเนี่ยเห็นธรรมะถ้าเราจะเห็นที่ ไปที่ป่าไปที่วรานาสีถ้าใคยใครไปที่นะครับที่พิพิพธภัณฑ์ที่เมืองวรานาสีพ่ะคุณเจ้าเคยไปไหมครับต้องยกมือที่ใครเคยไปที่ไปที่สารนาเออไปที่อินเดียมีไหมครับมีใครเคยไปไหมครับเออพอพูดถึงตรงนี้เดี๋ยวผมขอขั้นรายการนิดหนึ่งผมจะจัดโครงการ นำพระที่จะไปที่อินเดียในสิบวันเดือนมกราปีหน้าค่าใช้จ่ายเนี่ยผมจัดการให้ทั้งหมดแต่ผมมีข้อแม้ผมให้สมัครแล้วก็จะคัดนะสมัครรายชื่อแล้วก็คัดผมจะเอาผมคัดไปหกสิบรูปเนะี่ยผมอยากให้พระได้ไปไปเห็นแต่ ต้องอายุไม่มากเกินไ ป, ปร่างกายแข็งแรงและพร้อมที่จะเรียนรู้เ็ราผมจะก่อนจะไปเนะี่ยผมจะจัดให้มีการหาสถานที่อบรมอบรมประมาณสักเจ็ดถึงแปดวันก่อนส่วน่าใช้จ่ายดูแลทั้งหมดแล้วค่าใช้จ่ายอย่างให้พักที่พักที่อะไรต่างๆไม่ได้ไปอย่างลำบากนะครับค่าใช้จ่ายก็ประมาณรูปแล้วประมาณห0หมื่นห้นบาทไม่เกินห0หมื่นบาท ตอนนี้ผมก็เริ่มรับรับสมัคร <c oughs> จะใช้เวลาคัดประมาณสองสาเดือนผมจะหาพระที่เป็นวิทยากรที่ชำนาญมากชำนาญทั้งพระไตรปิฎกอัตถกาถาและดีกาจบคำสอนแล้วก็ไปบรรยายแล้วก็ชำนาญในพื้นที่ในอินเดียนะครับคือบรรยายเชิงลึกให้พระที่มีจิตใจกล้าหาญอยากจะรักษาศา ส, สนาอยากจะ สืบทอดและก็เป็นกำลังของาศาสนาฉะนั้นก็จะต้องหนึ่งมีข้อมูลความรู้เป็นพื้นฐานบ้างถ้าไม่มีพื้นฐานเลยันีจะลำบากสองก็คือสภาพร่างกายต้องแข็งแรงพอสมควรถ้ า, ายุมากแล้วก็จะไม่ใช่ไปดูถูกมันจะจำเวลาไปได้ข้อมูลมากๆหรือไปเจาะข้อมูลมันจะเออเลมมันจะมันจะจำอะไรไปไม่ไดนะ้ถ้าใครมีมั่นใจหรือมีฐานข้อมูลความรู้พอสมควร อาจจะจบนักธรรมไปแล้วนี่นะเพือได้เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้ามีพื้นฐานทางด้านบาลีหน่อยอะไรหน่อยก็ได้ก็ยิ่งดีนะยิ่งดีถ้าไม่มีก็มีผมรับสมัครนะครับแล้วก็มาคัดอีกทีนะครับเอออันนี้พูดถึงตรงนี้อ่าเดี๋ยวต่ออันนี้เพื่อทีพระคุณเจ้าที่สนใจนะครับก็สนใจก็ฝากรายชื่อแล้วก็ อะต่างๆกับท่านเจ้าวาด้วยผมจะไปพิจารณาอีกทีนะครับระเบอร์โทรเบอร์อะไรต่างๆแล้วผมจะอาจจะสอบถามแล้วก็เขียนเป็นใ บ, นบสมัครเอาไว้ผมอาจจะคัดคัดอีกทีนะครับเออตรงเนี้ยแต่แ ต, แต่แต่บางประมาเต็มแล้วนะเออในเขตบางประมาณเมีโคต้าให้ประมาณไม่เกินยี่สิบคนรูกนะครับแต่ถ้าเป็นที่อื่นนะครับนี่หมายถึงพระมาจากที่อื่น บางประมาณผมมีวันนั้นไปไประชุมผมก็ให้โคต้าไปแล้วแต่นี้เฉพาะในในใ น, ในที่ที่ไม่ใช่จังหวัดสุพรรณนะครับจังหวัดสุพรรณให้แล้วให้ยี่าลูกนอกนั้นอาจังหวัดอื่นทีนี้เล่าตรงนี้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่บอกว่าใจไปรลั่นกองรบฉะนั้นให้สังเกตดูนะวิธีทำไมถึงเรียกว่ารบ และให้สังเกต ด, ดูว่าถ้าสมัยก่อนถ้าเราเคยดูการรบในยุคก่อนเนี่ย<ๆ>เขาจะมีกองกองรบเวลาเขาจะตีว่าบุกหรือตั้งรับหรือถอยใช่ไหมครับวิธีการอย่างไรเนี่ยการกองรบเนี่ยสำคัญมากเลยนั่นแหละพระสัมมาพระธรรมของพระพุทเจ้าที่พระเจ้าแสดงธรรมาจากขปวตนะธรรมาจากขปวตนะสูตรเนี่ยเป็นกองล้อแห่งธรรมะเขาเริ่มมันมีสองอย่างหนึ่งกงล้อแห่งอํานาจ กลงล้ออำนาจเป็นหมายถึงทางโลกเขาก็ะจะเป็นดินบ้างผู้นําประเทศบ้างก็คือแผ่ขยายอํานาจเพื่อจะปกครองเมืองน้อยใหญ่ให้อยู่ในอํานาจของตัเองส่วนกองล้อแห่งธรรมเนี่ยเป็นเชื่อของการหมุนหมุนอะไรหมุนธรรมจักรในที่นั้นก็คือหมุนสัมมาทิฏฐิก็คือศีลสมาทิปัญญาหมุนศีลสมาทิปัญญาเข้าสู่กระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนี่คือกลงล้อแห่งธรรมะถ้าปกติสัตว์ทั้งหลายเนี่ย จะมีกิเลสเนี่ยกุมรุมอยู่ในจิตใจนี่ใช่ไหมที่เรียกว่าระดับลึกจริงๆที่เรียกว่าอนุสัยไม่แสดงออกมาทางชฉนะหรือทางจิตใจระดับกลางนี่ก็ ป, ปรียุทธานะที่ทําให้เครียดรบกดหลงเป็นต้นแต่ไม่แสดงออกมาทางกายครับอาจารส่วนระยาำหยาบเนี่ยเขาเรียกว่าวิติกะมะนี่พฤติกรรมที่ออกมาด่าทอปทุถุสลาเป็นต้นเหล่านี้มูสัตว์ก็มีกิเลสอยู่เนี่ยสามกลุ่มเนี่ย โลพาโทสาโมหะที่มีสามระดับในหมู่สัตว์พุทธเจ้าก็แสดงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาเนี่ยสัมมาวจาสัมมากรรมตะศัมมาชีวะเป็นชื่อของศีลอันนี้เป็นศีลรัศิขาสัมมาชีวะสมาสติเออสมาสมาธิสัมมาวิมารสมาสติสมาสมาธิเป็นชื่อของสมาธิพุทธเจ้าก็หมุนกรงล้อนี่แหละคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยประชมลงในกระแสชีวิตตองสัตว์ทั้งหลาย นันสัตว์ทั้งหลายเมื่อถูกศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหมุนเข้าไปสู่กระแสะชีวิตกิเลสอย่างหยาบก็สงบระงับกิเลสอย่างกลางก็สงบระงับกิเลสอย่างละเอียดก็ถูกปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะประหารอย่างหมดสิน้นก็เลยกลายเป็นว่าสาัตว์ทั้งหลายที่เร่าร้อนหรือถูกกิเลสครอบงำก็กลายเป็นสัตว์ที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดนี้เป็นต้นยันให้พระเจ้าไปลั่นกองล้อก็คือไปหมุนกองล้ออยทำมาจากหน้าที่ตรงนั้นแหละสิ่งที่อยากจะบอกพวกเราอีกจุดหนึ่งก็คือว่า ถ้าไปเห็นที่เสาอโศกนะครับปัจจุบันนี้เป็นตราของเป็นตราประจําประเทศของอินเดียในเสาอโศกจะมีหัวสิงห์นะครับแต่ปัจจุบันนี่หักแต่ว่าตัวหัวสิงห์ไปอยู่ในในในอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่สารานาจะมีสิงห์สี่ตัวหันหน้าไปทางทิศทั้ง4ี่อยู่บนหัวเสาอโศก และบนบนหัวของสิงจะมีธรรมจักรกงล้อธรรมจักรทูลสิงจะทูนธรรมจักรอยู่ข้างบนทีนี้อันนั้นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพระเจ้าโศกท่านสร้างเขาไว้ทีนี้ใต้สิงเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีช้างนะครับเออจะมีวัวเออจะขออภัยจะมีช้างจะมีมา้าแล้วก็จะมีสิงเป็นสิงโตครับเป็นสิงเป็นช้างเป็นมา้าแล้เป็นวัวใช่ไหม เนี่ยเป็นรอบรอบไอ้ที่ตรงตร ง, งตรงฐานของสิงห์เนี่ยทีนี้ถ้าเราเรียนพุทธประวัติก็จะตีความกันบอกว่าไอ้ตัวสิงห์เนี่ยหมายถึงพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แผ่คำรามไปในทิศทั้งสี่ไปไปในทิศทั้งหลายก็คือเป็นการที่ว่าพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยส่วนวัวเนี่ย เป็นชื่อของการแรกนาขวานที่พระโพธิสัตว์ไปนั่งเข้าได้สมาธิครั้งแรกที่ใต้ต้นว่าหรืออะไรเนี่ยนะในใต้ต้นไทรเข้าไปส่วนช้างเนี่ยเป็นชื่อของที่ตอนที่พระนางเสิ็จมาหมายาทรงสุบินนิมิตช้างคาบดอกบวัวส่วนม้าเป็นชื่อของการที่พระเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะขี่ม้ากันทกะออกจากพระราชวังที่บวชนี่เป็นต้น แต่ถ้าหากว่านักปราดในยุคน้นเนี่ยเขาว่าไงดูไหมเขาบอกว่าที่มีทั้งสิงห์มีช้างมีมา้าแล้วก็มีวัวเนี่ยเป็นสั ญ, ญลักษณ์บอกว่าสิงห์นั่นคือการแผ่คำรามของราชสีท่านพูดถึงว่าสงสาวกของพระเจ้าคือภิกษุเป็นต้นเหล่านี้หรือพระธบริษัท4โดยเฉพาะภิกษุซึ่งเป็นเป็นด่านหน้า เวราชประกาศพระธรรมคําสอนของพระเจ้าเนี่ยต้องอาถรรพ์ต้องแกรีวกล้าต้องเหมือนสิงแผลคาลามอย่า ก, กลัวต่อคําความถูกก็หมายความว่าให้กล่าวพระธรรมคำสอนของพระเจ้ดาด้วยความอาถรรพ์ด้วยความแกรีวกล้าด้วยความบากบั่นก้าวไปใจสู้ให้ประดุดดังสิงแผลคาลามแผคลคารามหรือว่าเรลือศีอานาต เราจะเห็นว่าหัวบนหัวสิง์ก็จะมีสิงห์สี่ตัวหันหน้าไปทิศ ท, ทั้งสี่นั่นหลักคือการแผ่คำลามหรือว่าเป่งศีนาะก็คือว่าคําสอนของพระเจ้านั้นน่ให้หมุนไปในทิศ ท, ทั้ง4ี่ส่วนช้างเนี่ยเป็นชื่อของพละกกำลังช้างในเวลาจะออกรบเนี่ยนะพูดถึงบุคคลที่จะประกาศศาสนาให้เหมือนช้าง ช้างเนี่ยเวลาจะออกลบเนี่ยก็ไม่หวั่นไหวจากลูกศรที่ปิวไปจากทิศทั้งสี่ภิกษุในาศาสนาของพระชินเจ้าก็อย่างนั้นเหมือนกันไม่หวาดหวั่นไม่ห ว, วันวว่นไหวต่อต่ อ, ตอปัญหาโลกอุสรรคก้าวไปใจสู้แม้จะถูกปัญหาอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยเข้ามาโถมทับอย่างไรก็มีความเกล้ากล้าอาถาร์เหมือนกับช้างศึกว่างั้นเถอะเหมือนกับช้างศึก ไม่เกรงกลัวต่อต่อลูกศรไม่เกรงกลัวต่อปัญหาเรื่องบริษัทนี่เป็นความเป็นเรื่องพละงกำลังส่วนม้าเนี่ยบ่งบอกถึงความรวดเร็วเป็นชื่อของสติปัญญาเป็นสาวกของพระเจ้านะต้องเป็นบุคคลที่ชาญฉลาดจําคําสอนของพระเจ้าเข้าใจคําสอนพระเจ้าไม่พอต้องมีปัญญายาญฝึกปัญญาให้ชาญฉลาดทะลุทะลวงเจาะทะลุทะลวงคิดอะไรได้อย่างรวดเร็ว จนสามารถไม่เป็นธาตุของกิเลสแล้วไม่พอยังเอาความรวดเร็วของปัญญานั้นไปเจาะอัถฐธรรมะแล้วก็บอกกล่าวให้บุคคลทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจนี่บ่งบอกถึงตัวปัญญาคือความเร็วก็คือมา้าส่วนสุดท้ายคือวัวนะครับวัวนั้นพูดถึงความอดทนวัวจะยอมตายคาแอะคาไถแม้ชั้นใด ภิกษุในศาสนาของพระพุทเจ้าเมื่อเข้ามาห่มผ้ากาสาพัตแล้วเนี่ยก็ยอมตายคาพระศาสนาไม่ยอมทิ้งไม่ยอมเอาผ้าเหลืองออกจากกายแล้วฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคแล้วก็ยอมรับภาระธุระพระศาสนาจนตัวเองตายนี่นะนักปราชญ์เขแกะมุมออกมาว่า น, นี่คือวัตถุประสงค์ที่พระเจ้ศาศรงมหาราชเนี่ยท่านต้องการบอกให้เรารู้ว่าเราเป็นสมณะเชื้อสายศักยบุตรพุทธชินโยรถ ให้สังเกต ด, ดูตอนที่พระเจ้าแสดงธรรมจักรปุ๊บท่านัญญากรัญท่านยได้ดวงตาหิงทรพรมสิบแปดโกดได้บรรลุเทวดาไม่นับถ้าเราไปดูในเหมะวัตสูตรเนี่ยเทวดาบรรลุ ก, กันเยอะเลยใช่ไหมครับที่ลูกน้องหมิมาวัตหมิมาวัตยะมาที่หลังก็บรรลุว่าฟังธรรมข้างนั้นก็ได้บรรลุ ก, กันทั้งเยอะการเทวดานับไม่ถ้วนต่อมาวัดป่าพัทยะมหานามาอัศชีพ่อหลังจากคบแลมห้าค่ำก็แสดงอนัตตลกณสูตรก็ได้บรลรลุพระละหัน แล้วก็มียส า, ากุลระบุสุภาหุปุลนชีพเขวาวรรปติสหายอีก54ี่รวมไปเสร็จหกสิบรูปที่จริงไม่นับอีกท่านหนึ่งใช่ไหมครับท่านนารกกาศนารกกาศก็มาฟังที่ป่ายิสิปตานามรุกทายวันเนี่ยแต่ฟังและท่านไม่ได้บรรลุและท่านก็รีบไปและท่านก็ไปบรมเพนโมในยะปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุทีหลังสรุปคือพระาทหารในอุบัติเกิดขึ้นที่นี้พอออกพรรษาทาบรมศาสดาก็ประชุมพิกสุสง์ ที่เป็นพระทหารทั้งหมดแล้วก็บอกว่าเจรถธาพิกเวจริกังโผุชนะอิตายะโผุชนะสุขายะโรกาณุกรมปายะเป็นต้นบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้พวกเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจึงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเป็นต้นอันนี้บ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยในการออกไปเผยแผ่ ออกไปประกาศคำสอนแล้วเวลาไปประกาศคำสอนอย่าไปทีเดียวกัน2รูปให้ไปที่อันหนึ่งรูปถ้าอย่างนั้นจะเสียบุคลากร น, นะถ้ารูปหนึ่งกำลังกล่าวธรรมะกำลังประกาศคำสอนพระเจ้ารูป1ยืนอยู่ฟังอยู่เฉยๆเนี่ยเสียบุคลากรก็คือว่า จะต้องเผยแผ่หรือหมุนกองล้อธรรมะธรรมะเนี่ยหรือไปลั่นกองลบหรือกองอมตะเนี่ยเพื่อปลุกบูช์ให้ตื่นจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะให้เร็วที่สุดให้ทํางานกันอย่างรวดเร็วแล้วด้วยมีพระกําลังเหมือนกับราชสีห์ช้างมา้าแล้วก็บัว น, นี่แหละที่เป็นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ที่พระเจ้าทรงทําสั ญ, ญลักษณ์ให้กับภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกและบรสิกาบริษัทนั้นให้มีความอาถรรพ์กล้า แล้วต้องเป็นคู่มีฌานฉลาดในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเออนี่ก็มาบอกพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะอยากจะปลุกใจพวกเราทั้งหลายให้เกิดความตื่นขึ้นมาว่าตอนนี้เรามีไภัยภัยของศาสนาเนี่ยถ้าภัยภ า, ายในคือราคะโทสะโมหะใช่ไหมครับตัวศาสนาที่แท้จริงคืออะไรคือศีลสมาธิปัญญานศีลกาจัดกิเลสอย่างยากใช่ไที่แสดงออกมาทางกายและว่าจัา สมาธิสมาวายมะสมาสติสมาสมาธิกําจัดกิเลสอย่างกลางคือกลุ่มนิวรธาธรรมที่กุ้มกุมรวมในใจส่วนปัญญาคือสมาธิถิ่และสมาสังปาเนี่ยกำจัดกิเลสอย่างละเอียดเกินนุสัยเนี่ยเป็นตัวศาสนาที่แท้จริงฉะนั้นภัยของศาสนาก็คือราคาความกําหนัดโทสะความโกรธนละโมหะความหลงตัวศีลเนี่ยกำจัดโทสะสมาธิกําจัดโลภะปัญญาก็กําจัดโมหะใช่ไหมครับ ฉะนั้นตัวโรภาโทส่าโมหานี่แหละเป็นตัวไทยของาศาสนาถ้าเราสามารถทําศีลทําสมาธิทำปัญญาคือธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตได้แล้วก็กําจัดภยัยภายในสตูภายในพิจฉาตภายในคือราคะความกําหนัดโทส่าความโกรธและก็โมหะความหลงให้สิ้นซากได้อย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเราต้องกําจัดภัยของาศาสนาคือตัวนี้ส่วนภัยภายนอกอย่างที่เราเห็นกันอยู่ก็หมายความว่าบุคคลที่เป็นวิชาทิฐิ ด้วยตูกกิเลสคือราคะโทสะโมหะคุ้มรุมก็ไม่เห็นนะก็มาเห็นว่ามองว่าสัญลักษณ์พุทธศาสตร์นาเป็นภัยแก่เขาเขาก็มาทําลายทําลายวัดวารามทำลายสัญลักษณ์ทําลายอะไรต่างก็ว่ากันไปอย่างที่เราเห็นเห็นได้ยินข่าวกันอยู่อันนั้นก็เรียกภยัยภายนอกเราเจอทั้งภยัยภายในคือราคะโทสะโมหะและทุติยดิตทั้งหลายเนี่ย กายโยตุจิตวจีโุจิจตมโนโทยตุจิตภายในของเราเองที่มันเป็นเพชฌฆาตภายในศัตรูภายในฆาศึกภายในอันนี้ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวกำจัดเป็นตัวาศาสตนาแท้จริงส่วนภัยภายนอกคือเราจะต้องประกาศหลักการของพระาศาสนาให้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยหลักการคําสอนพระเจ้าเนี่ยจะทําให้สัตว์โลกทั้งหลายที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้สงบเยือกเย็นกําจัดบาป ไม่อยู่กันอย่างไม่เบียดเบียนกันอย่างไรมีจุดหมายคืออนุปาทานปณิธานคือการดับกิเลสและกองทุกอย่างไงเป็นต้นหมดเนี้ยเพื่อให้ศาสตร์เหล่านั้นได้ประโยชน์พระพรมศาสดาก็นี่แหละประกาศหลักการของเมื่อท่งสาวกออกประกาศคําสอนแล้วพระองค์ก็เสด็จที่บายสิบเสด็จไปที่ตําบนรู้เวลาเสนาวิคงก็ไปโปรดเนี่ยชลินสามพี่น้องเนี่ยก็ไปปราบเห็นไหม ดินสามพี่น้องพร้อมได้บริวารเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิใช่ไหมครับเป็นคนมีมานะจัดด้วยมีทิฐิด้วยเป็นเจ้ารักทิด้วยแฟนมคตประชากรระดับพระเจ้าแผ่นดินมีพระยาพิมพิสารเป็นต้นแล้วก็แคว้นอังคะในยุคนั้นเนี่ยประชากรสองแคว้นเนี่ยนับถืออุรุเวลกกัศพบพร้อมได้บริวารถือว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นนา ร, าราพันหันพระบรมศาสดาก็จาริกไปเห็นไหมจาริกไปเพื่อกําจัด หรือว่าทรมานเขาเรียกไปฝึกนี่แหละไปฝึกเนี่ยไปทรมานอุรุเวลากสศพเนี่ยให้ยอมจำนนเพราะว่าอุที่ส่วนจริงพระองค์ก็ใช้กําลังปัญญายาณอันสูงสุดนี่แหละก็สามารถถอนมิจฉาทิฏฐิ อ, ออกจากกระแสชีวิตของอุรุเวลากสศ พ, พร้อมได้บริวารหน 1, ึ่งนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นในชัดวันนี้การประกาศหลักการของพระเจ้าซึ่งทรงกระทํามาด้วยความแกร้วกร า, กราอาถรรพ์แล้วก็มุ่งมัน่น พระ อ, องค์ทากิจของความเป็นพระศ า, าสดาอยู่นั่นน่4 4 5พ0 0ษาเห็นไหมว่าพอกิเลสนิพพานปุ๊บกระแสขันของพระเจ้าสะอาดบริสุทธิ์หมดจดพระ อ, องค์ก็ใช้กระแสขันที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดนี่นแหละประกาศหลักการของระศ า, าสนาอยู่45ปีพอครบ45ปีเนี่ยพระ อ, องค์ก็เสด็จที่กุซินาราแล้วก็บอกว่าตถาคตจะไปปรินิพพานในาที่นั้น แล้วต่อมาพระพุทธเจ้าก็มาประชุมครั้งสุดท้ายก็บอกประกาศปัะชิมโอวา่าที่บอกว่าหันทธานนิพพิเกวามันตยาบิโววายธมาสังขาราอปมาเดนะสปาริตฐานเนี่ยพระเจ้าดูก่อนพิกษุทั้งหลายบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนี่ถึงควอมด้วยความไม่ประมาทินไหมเนะี่ยพุทธบาสิที้มีสองมีสประโยค น, นะครับ ประโยคแรกวักแรกเนี่ยใช่คําว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงบ่งบอกถึงอะไรอันนี้พระริจ่าบอกถึงเรื่องความจริงไม่ใช่บอกข้อปฏิบัตินะนี่บอกหลักความจริงนะครับคําว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตตาเนี่ยบอกสังขารในบรร ด, ดาสังขารทุกสังขารไม่ว่าสังขารเล็กสังขารใหญ่สังขารที่เป็นไปในกาลราภูมิรูก ป, ประภูมิโลูร ป, ประภูมิกระแสชีวิตทุกกระแสชีวิตตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์หมดเลยไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นทุกข์ก็คือถูกความเกิดความแก่ความเก็บความตายเบียดเบียน บ, บีบคั้นทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้แล้วก็เป็นอนัตตาเป็นไปเหตุเป็นปเหตุปัจจัยไม่ใช่อัตตาตัวตนใดๆเลยอันนี้คือตรัสบอกความจริงอันนี้จังเนี่ยไม่ใช่หลักปฏิบัติแต่เป็นหลักความจริงนะครับเมื่อเธอทั้งหลายเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประบาทอันนี้คือหลักหลักปฏิบัติก็คือว่าทําตนเองไม่มี ทำตนเองที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาเกิดขึ้นทำตนเองที่ไม่มีความเพียกรกล้ า, าทำความเพียรความกล้าเกิดขึ้นทำตนเองที่ไม่มีสติฝึกสติให้เกิดขึ้นทำตนเองที่ไม่มีสมาธิทำให้สมาธิ <fellow> ตั้งมันขึ้นทำตนเองที่ไม่มีปัญญาให้ป <allah> ัญญารสแร่เกิดขึ้นมาให้ได้ยี่เป็นต้น ทำตนเองที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาทำศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไปบุญพินโยภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปจนสามารถไปประชุมศีล ส, สมาธิปัญญาในอริยมรรคอริยผลได้นั่นแหละยงยังประโยชน์ตนในที่นี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นตน้น ให้เกิดขึ้นให้ถึงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเ <plateau. S 1> มื่อทําศีลสมาธิปรรัญญาเกิดขึ้นแก่ตนเองได้แล้ว <ใช S 1> ก, ก็ประกาศหลักการคือศีลสมาธิปัญญาให้บุคคลอื่น ท, ที่เกี่ยวข้องและรู้จักให้ได้รับรถธรรมรสคือศีลสมาธิปัญญาให้ได้อย่างที่ตนเองเข้าถึงอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้อยากสรุปตรงนี้ว่าที่จะบอกว่าทําแล้ววินยัยถูกไหมพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายทําแล้ววินัยจะเป็นศาสดาของเธอหลังการร่วมไปแห่งเราเอาแล้วแต่เนี้ย พระเจ้าหลังจากตรัสปัจฉิมโอวาทไปเสร็จปุ๊บพระองค์ก็เข้าสมาบัติเริ่มตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจะถึงอรูปฌานคือเนวสัญญานาสัญญายัตนาฌานออกจากเนวาก็เข้านิโรธาสมาบัติพอเข้านิโรธาสมาบัติอยู่ระยะหนึ่งก็ถอยกลับจากเนวสัญญานาสัญญายตนามาอากินจัญญายตนามาวิญยาม า, ากาสาแล้วก็เข้าเจตุตตาฌานตัติยฌาน ทุติยชาติแล้วก็เข้าปฐมชาตออกจากทุติยชาติออกจากปฐมชาตก็เข้าทุติยชาติไล่ไปตามลำดับพอถึงจัตตุติยชานิชาตที่สออกจากจัตตุติยชาตก็ปรินิพานจุติเกิดขึ้นการปรินิพานครั้งนั้นเขาเรียกว่าขันธทปรินิพานใช่ไหมครับขันธทปรินิพานนี่เรียกรกว่าอนุปาธาปรินิพานนี่กระแสชีวิตนิพานนะครับครั้งแรกที่ต้นภาษีมาโพควงไม้โพดิพึกอันนั้นคือกิเลสนิพานแต่กระแสชีวิตยังอยู่ เป็นกระแสชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็ดําเนินกระแสชุวิตที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดอยู่49ปีแล้วก็มาทําขันทัปปริพญานที่กุศินาราที่สารวโนทยานย์ใช่ไหมครับนี่นี่อย่างนี้เขเรียกขันทัปปริพญานและเหลืออะไรในนี้เหลือพระธาตุที่โทนพามที่ไปทําที่มกุฏพันธเจดีย์นี่แหละรายละเอียดที่พวกเราพอรู้กันนี่ทีนี้พระธาตุยังอยู่ตอนเนี้ พระบรมสารีริกธาตุที่แบ่งไปตามเมืองน้อยเมืองใหญ่ทั้งหลายปัจจุบันก็อยู่ในประเทศไทยมากมายพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะอยู่อีกห้าพันปีใช่ไหมครับตอนนี้2500กว่าปีพอครบห้าพันปีแล้วพระธาตุเหล่านี้ก็จะปรินิพานก็เรียกว่าธาตุปรินิพานฉะนั้นการปรินิพานของพระพุทธเจ้ามีสามประการหนึ่งกิเลสนิพานสองขันธ์ธาตุปรินิพานหรือเรียกอนุ ป, ปา 4. ทาริพานสีธาตุปรินิพานฉะนั้นการ ในภายใน 5,000 ปีนี้เป็นการที่ศาสตาของพระเชเจ้ากำลังดำเนินอยู่อยู่ในฐานะอะไรพุทธเจ้าบอกว่าตถาคตผลิตินพันไปหนึ่งทำและวินัย 84,000 ี่พพระธรรมขันธ์จัดทากิจศาสดาเอาละสิทีนี้ธรรมะคืออะไรนะครับธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาเหมือนอยายมรรคงดเนี่ยใชย่นี่เป็นตัวหัวใจของธรรมะก็ได้ สัมมาวจาสัมมากรรมตะสัมมาชิวานิเป็นชื่อของศีลศีลสิกขาสัมมาวิมาสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นชื่อของสมาธิสิกขาสมาทิฏฐิความเห็นชอบสมาสังปะความนิมิตชอบเียนชื่อของปัญญาสิกขาเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญานี่คือธรรมะเขาเรียกอริยมรตมีองค์แอริยอสดางคิคมะกันเรียกกันคือมรตมีองค์เอออย่าไปเรียกว่ามรตแปนะถ้าเรียกมรตแเาเรียกว่ามีทาง8ทางเข้าใจใช่ครับ แต่มรคผีองค์8ก็คือองค์8เนี่ยก็คือทางทางเดียวเขาเรียกมัชชิมาปฏิปทาทางทางเดียวที่จะดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์เขาเรียกเอกาญโนโอายังพิขเวมัคโคเนี่ยทางนี้เป็นทางสายเดียวก็คือประชุมมรคมีองแปดเนี่ยดำเนินไปทางสายเดียวก็เรียกมัชชิมาปฎิปทาเพื่อเข้าถึงอนุ ป, ปาธาปนิพัน์ น, นี่แหละคือพระนิพาน์านคือการดับกีดและกองทุกข์าลอกมรคแปดก็แปลว่าทางมันมีแปทางยุ่งกันใหญ่เลยตรนี้เรียกมรคมีองค์8 ทีนี้อยากจะพูดให้พวกเราได้คะ่ะตอนนี้พวกเรามาอยู่ปริวาสกรรมมาเจาะมาตรงนี้นิดนึงนะอยู่ปริวาสเนี่ยแปลว่าอะไรเรามาประพฤติปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติตามอะไรตามสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบอกไว้คําว่าวิในเนี่ยเป็นการกล่าวโดวยรวมนะครับวิัยเนี่ยเป็นการกล่าวทั้งหมดเลยโดยรวมเป็นเอกพจน์ไม่ได้พูดถึง ไ อ, อ้วินัยแต่ละข้อแต่ละข้อวินัยที่เก่าวรวมทั้งหมดตอนเนี้เราต้องการมาชําระวินัยให้สะอาดบริสุทธิ์ใช่ไหมครับที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยทีนี้วินัยเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นศีลของพระเนี่ยถ้าว่าโดยวินัยเนี่ยว่าโดยรวมทั้งหมดแต่ถ้าว่าโดยศีขับบทมีเท่าไหร่นะครับศีขับบท มีสองอยี่สิเจ็ดสิกขาบทอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นศีลแม่บทเขาเรียกปาติโมกสังวรศีลมีสองร้อยสิกขาบทเห็นไหมไอตัวสิกขาบทเนี่ยก็แปลว่าข้อฝึกหรือว่าแปลว่าบทฝึกอันนี้เป็นข้อข้อขข้อเหมือนกฎหมายนะครับถ้าว่าโดยกฎหมายเนี่ยแปลว่าว่าโดยรวมเหมือนกฎหมายรัฐมันรัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายว่าโดยรวมแต่ถ้าบอกว่ากฎหมายมีกี่มาตรา ใช่รัฐธรรมนูญวิกินมาต า, างี้เป็นต้นกล็ว่ากันไปเยอะแยะหมดอันนี้ก็เหมือนกันสิกขาบทเนี่ยว่าเป็นข้อข้อก็คือมีกี่สิกขาบทก็คือมีสองยสิดสิกขาบทประชิกสี่สังฆาที่เศษดสสาอันียสองนิสกิ 2, ยปาจิตี30สปาจิตีก้าสองปาติเสสนียะสี่เสขียวัตเจ็ดห้าเนี่ยรวมเบสิสอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า227ยสิดสิกขาบท ถ้านับโดยรวมนับโดยกว้างก็คือเป็นพระวินยัยเห็นไหมบอกว่าวินัยไม่ใช่ศีในี่พูดอย่างเคร่งครัดนะวินัยเนี่ยเป็นกฎบัญญัติเป็นกฎสมมุติที่พระบระมา ศ, าศาสดาทรงบัญญัติโด้วยพระสัพพยุตยานด้วยมหากรุณาสมาปัฏิยานยี่ไหมครับเนี่ยพระเจ้าทรงบัญญัติเกาไว้วินัยไม่ใช่ศีลนี่พูดแบบเคร่งครัดแต่เดี๋ยวนี้พูดกันไปพูดกันมาวินัยกับสีเป็นเรื่องเดียวกันจะปรนกันหมดแล้ว ส่วนศีลเนี่ยถ้าพูดอย่างเค่งคัดก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมิตาสัมมาอาชีวะเนี่ยนี่เป็นชื่อของธรรมะเขาเรียกสภาว่ธรรมเช่นเจตนาศีลมีเจตนาความจงใจตั้งใจที่จะทํากุศลศีลให้เกิดขึ้นเจตสิกศีลความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาเนี่ยเป็นศีลได้หรือสัมมาวาจาสัมมากรรมิตาสัมมาอชิวะเป็นต้นสังวรศีลคือการสํารวมระวงังเอาวิติกรมศีลคือการไม่โวภละเมิดนี้เป็นต้นฉะนั้นตัวศีลคือตัวธรรมะ ศีล ส, สมาธิปัญญาคือธรรมะส่วนวินัยเนี่ยเป็นสมมุติเป็นกฎเกณฑ์เป็นกติกาเป็นข้อตกลงร่วมกันทีนี้ให้สังเกตตัวนะว่าวินัยเนี่ยเป็นภาษาสดาธรรมะก็เป็นพระาศาสดาแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบปนิญญาผ่านแล้วฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่เรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อชําระศิกขาบทเนี่ยแปลว่าเราเคารพอะไรรู้ไหมเราเครรารพภาษาสดา เมื่อเราประพฤติปฏิบัติทําให้ศีรษะปวมัวหมองหรือเศร้าหมองไม่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นอาบัติประเภททุกขกดทุกภาสิตธหรือปราจิตีปาหรือว่านิสกียปราชิตีเราก็สละวัตถุเสร็จแล้วก็แสดงอาบัติหรือปลงอาบัติเนี่ยแปลว่าเราชําระเพราะเราไปทําผิดบัญญัติที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้เห็นไหมไอาการบัญญัติไว้อย่างเนี้ยที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้จึงเป็นสมมุติ แต่สมมุติเนี่ยต้องการต้องการทําจริงๆนะครับเพราะเราตระหนักว่านั้นคือภาษาสดาของเราอ่ายกตัวอย่างนะครับเอาง่ายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าการที่เราไม่อยู่ปราศจากพระไตรจีวรนเนี่ยนี่ไนะครับนี่ก็เป็นพระวินัยใช่ไหมหรือการบินบาศที่เห็นได้ชัดการที่เราบินบาศแล้วฉันในบาศก็ดีเดินบินบาตก็ดีรับบาศเราจะบองอยู่แต่ในบาศเนี่ย เราทอดสายตาลงต่ำในขณะที่เดินเนี้ยเป็นต้นการที่เราหรือว่าไปภิกษุไม่ไม่ไม่เจ็บป่วยหรือไม่เจ็บไข้จะไม่ยืนถ่ายปัสสาวะเนี่ยอันนี้เป็นบัญญัตินะครับเป็นข้อเป็นกฎเกณฑ์เป็นกติกาถ้าเราไปปุ๊บเราไปเข้าห้องน้ํานะครับแล้วเราจะยืนถ่ายใช่ไหมเรานึกก็นึกถึงพระบัญญัติพระพุทธเจ้าบอกว่าเออเราไม่ป่วยเราไม่เป็นไข้ เราจะไปยืนขับถ่ายปัสสาวะนี่จะเป็นอบัตใช่ไหมผิดหลักเสขียวัตเราก็เลยเคารพแล้วก็นอบน้อมพระเจ้าแล้วก็นั่งลงด้วยความเคารพแล้วก็ขับถ่ายปัสสาวะออกมาครับในขณะที่เราขับถ่ายปัสสาวะออกมาเนี่ยแต่ตอนนั้นนะใจของเราชื่นใจเรามีเจตนาในการที่จะทํากุศลศีลเนี่ย ศึกขาบทนี้ให้สะอาดเอยิมอ่องผ่องแผ้วเนี่ยเราต้องการฝึกกายกรรมของเราเนี่ยพฤติกรรมเราเนี่ยให้เรียบร้อยดีงามเป็นไปกั บ, กบสุรสีนพอนึกพอทําได้อย่าปุ๊บปลาโมดปีติมันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าศีนมันเกิดนะครับแต่บางครั้งศีนไม่เกิดสังเกต ด, ด้วยนะครับเส้นเราเดินเข้าขห้องน้ําไอห้องน้ํามันเลอะเทอะเราจะมีนั่งก็ไม่ได้เออเราจะนั่งเ ร, เราเครียดเลยพอเข้าไปนะครับ แต่ถ้าไม่นั่งรู้สึกเราหึงเรากลัวเป็นอบัตอยากขนั้นเลยแต่นั่งด้วยความเครียดนั่งด้วยความทุกข์นั่งด้วยความกัดกรุ้มแต่เราไม่ทําเรากลั ว, ลวอบัตนะครับเราก็นั่งไปแล้วก็ขับ่ายปัสสาวะออกมาอย่างนี้เขาเรียวกว่าได้วิในแต่ไม่ได้ศีนเข้าใจไหมครับคือทําตามวิในมันได้รูปแบบได้แบบแผนได้กฎเกณฑ์ได้กติกามันทําถูกต้องดีงามเลยนะแต่ใจมันเป็นทุกข์ ใจมันเป็นทุกข์มันเครียดมันโกรธมันหงุดหงิดเนี่ยพราะศีลมันจะต้องเจตนาศีลมันต้องเป็นใบกุศลนะครับถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นเป็นศีลนี่เมื่อก็ควบคุมกายวาจาไม่ให้เกินโกรธไม่ให้กระจัดกระจายไม่สร้างไปด้วยความทุศีนใช่ไหมครับส่วนตัวศีรศีรนะเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาทานังแปลว่าทำวัตทำพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพไม่ให้เกินโกรนไม่ให้กระจัดกระจายนี่เป็นศีลนะส่วนศีรนะนั้ความหมายหนึ่งก็คือว่า เป็นอุปัฏฐานาก็คือว่าเป็นฐานรองรับคุณธรรมมุ่งสูงเพื่อต้องการจะเป็นฐานรองรับของสมาธิและปัญญาเป็นต้นนี้คือศีลฉะนั้นตัววินัยเป็นเป็นข้อฝึกเหมือนกรณีที่เราไปล่วงละเมิดสิขาบทข้อใดข้อหนึ่งปุ๊บเราไปทําผิดวิ น, ย น, น, นัยนั้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นนี่ยแปลว่าเราละเมิดวินัยก็คือละเมิดพุทธิยาวแต่ถ้าเราบางครั้งเหมือนขับรถนะครับ บางทีเราขับรถถูกกฎจ ร, ราจรนะแต่คนขับเครียดทุกขุมกรณีอย่างเงี้ยได้แค่วินัยจราจรแต่ไม่ได้ไม่ได้คุณธรรมคือได้ธรรมะเหมือนกันนะครับวินัยกับศีลมันมีความต่างกันอย่างนี้ถ้าพ้องพูดให้เคร่งรัดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ที่มาพูดตรงนี้ก็คือว่านับถือน้ำใจพระที่มาเข้าปฏิวัตเมื่อรู้ว่าตนเองเนี่ยกระทาผิด หลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ของพระบรมศาสดาก็น้อมที่จะฝึกตนเองน้อมที่จะชำระในการที่จะทำวินัยของตนเองให้สะอาดเอี่ยม อ, อ่องฟ่องแป้ามาตั้งหลักใหม่แล้วเพื่อจะเอาวินัยเป็นฐานนะครับเป็นฐานเป็นกรอบเพื่อจะ เ, อเราเดินตามวินยัยฝึกตามสิกขาบทแต่ละข้อเพื่อเข้าสู่ความ เข้าสู่ความได้เข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิแล้วเข้าถึงปัญญาเราเคารพธรรมวินัยก็คือเราเคารพพระศ า, าสดาเรามี่ธรรมะวินยัยมีพระศาสดาเป็นเป็นจุดหมายใช่ไหมครับที่บอกว่าอัจชะอาทิงกัตวาอาหารพุทธศาปรายโนโหมิอาหารธรรมศาสปรายโนโหมิอหารสังคศาสปรายโนโหมิอิติมังทาลเลทัติเนี่ยข้าพเจ้าก็ทําวันนี้เป็นวันเริ่มต้นต่าเท่าสิ้นชีวิต ขอมีพระพทเจ้าเป็นหลักนําชีวิตขอมีพระธรรมเป็นหลักนําชีวิตขอมีพระสงฆ์เป็นหลักนําชีวิตพระเจ้าคือธรรมวินัยใช่ไหมครับเราเอาธรรมะและวินัยเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเราอย่างนี้เขาเรียกว่าเราต้องการที่จะเข้าเฝ้าพราะศาสนาจ ร, ริงๆเราเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าเราเป็นสิทธิ์ของพระธรรมเป็นสิทธิ์ของพระรีอสงอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นจึงว่าน่าชื่นใจ น่าชื่นใจที่ว่ารักษาหลักการรักษากฎเกณฑ์รักษาระเบียบแบบแผนรักษาคำสอนพระพุทธเจ้าไว้เมื่อเรารู้ว่าเราละเมิดอะไรเราก็กล้ากล้าอาถรรพ์ในการที่จะยอมรับแล้วก็จะมาฝึกตนเองแล้วก็จะตั้งมั่นต่อไปว่าชำระวินัยให้สะอาดเบี่รเศ แล้วเราจะได้เอาเป็นเครื่องระลึกแล้วเอามาฝึกตนเองแต่ละข้อแต่ละข้อเข้าสู่ศีลเข้าสู่สมาธิแล้วเข้าสู่ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงามเพื่อเราจะได้เข้าเป้าพระศาสดาได้อย่างแท้จริงนี้เป็นต้นเอาแล้วผมเนี่ยใช้เวลามาพอสมควรเนี่ยผมก็พยายามอยากแก้ให้พวกเราได้เห็นความสำคัญว่าเรากำลังเดินตามรอยบาทภพระศาสดา ถ้าเราไปดูในพระสูตรสูตรหนึ่งในมันชฌิมนิกายนะคะรับพระเอกจูระหัติปโตพระสูตรเขาเรียกว่าพระสูตรที่อุปมาเหมือนรอยเท้าช้างสูตรเล็กเนี่ยพระสูตรสูตรนี้จะบ่งบอกถึงว่านายพานเนี่ยปรารถนาอยากจะเห็นช้างอยากจะเห็นช้างตัวจริงๆก็เลยตามรอยช้างทะรอยเท้าช้างเข้าไปในป่าพอไปเห็นรอยเท้าช้าง ที่เห็นรอยเท้าเห็นอุจจาระปัสสวาวะเห็นรอยงาของช้างขีดข่วนตามป่าไม้ทั้งหลายโอ้โหตื่นเต้นว่าเราจะต้องเห็นช้างตัวเป็นๆตัวจริงๆได้อย่างแน่นอนในอัธภาพนี้ก็ตามไปอย่างไม่ลดละเม้ฉันใดพวกเราทั้งหลายก็ชําระชําระวิไนเนี่ยเราต้องการอยากจะเห็นพระศาสดาเนี่ยตอนนี้ที่เราได้สัมผัสคือได้ปฏิบัติตามวิไนฝึกตามสิกขาบท แล้วได้รับความแช่มชื่นอาหารกล้าได้รับความสุขสุขจากการได้รักษาศีลคือบากปรกรรมทางกายทางวาจาทางอาชีพมันถูกละได้จริงๆความทุ่ศีลถูกกําจัดไปได้จริงๆกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดมันเกิดขึ้นจริงๆเกิดฮีริโอตาปะเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นที่จะเดินตามศีลสมาธิปัญญาคือจะเข้าถึงศีลเข้าถึง ปฏิบัติตามวินัยเข้าถึงศีลสมายที่ปัญญาเราต้องการอยากจะได้สัมผัสได้เห็นช้างเป็นๆก็คือเห็นพระพุทธเจ้านั่นแหละตอนนี้เรากําลังตามเข้าป่าอยู่นะครับเนี่ยตามวินัยฝึกตามสิกขาบทบางทีบางท่านได้ประพฤติศีลแล้วชื่นใจได้ปราโมทได้ปีติได้ปัสถิได้สุขได้สมาธินี่แปลว่าได้ศีลได้สมาธิแล้วและสมาธิเป็นฐานเดินปัญญาญาณเห็นความจริงของชีวิต ถ้าชำระกิเลสและกองทุกได้เมื่อไหร่ปุบแปลว่าเราได้เข้าเฝ้า菩าสดาได้เห็น菩าสดาว่าเราจะอุทานว่าพระเจ้าดีจริงๆพระธรรมดีจริงๆพระสงฆ์ดีจริงๆนี้เป็นต้นอย่างนั้นเขาเรียกเข้าถึงโรภุต ร, สระสาานคมก็ขออนุโมทนากับเราท่านทั้งหลายที่ได้มาฝึกตามวินยัยชําระวินยัยเพื่อจะฝึกตามศึกษาบทแต่ละข้อละข้อเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาเพื่อจุดหมายคือการทํากิเลสให้นิพพาน และทำขันต่าปรินิพพานนี้เกิดขึ้นเพื่อให้เข้าถึงอนุ ป, ปาทาปรินิพพานตามจุดหมายที่พระบรมศาสดาทรงตรัสไว้วันนี้อาจจะพูดเรื่องลึกไปนิดหนึง่งญาติโยมข้างหลังก็ขอใครนิดนึงแต่ว่าถ้าใครอยากจะถามปัญหาอะไรก็ได้เลยนะครับเปิดโอกาสถ้าตอบได้ก็จะตอบถวายถวายความรู้รับญาติโยมอยากจะถามปัญหาอะไรก็ ถ้าไม่มีก็จะสรุจบมีไหมครับอยากสอบถามคุยสนทนาเรื่องอะไรก็ได้มีไหมครับไม่มีนะครับนะไม่มีก็ไม่เป็นไรอยากยอมก็ไม่มีใช่ไหมยอมมีไหมยอมฟังยากนิดนึงไม่เป็นไรนะ <c oughs> พอดีมองไปเห็นพระเทระหลายองค์ก็โมทนาในโมทนา อทายที่สุดในการบรรยายขออ้างอิงกัคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระริยสงฆ์ขออาราธนาพระบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าบารมีสิบอุปบารมีสิบปรมาภิบาลมีสิมหาปริชาคตาที่พระบรมศาสดาสรงได้บ่งเพญมาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยังดำรงอยู่ไม่ได้เคยสูญหายไปเลยไม่แต่น้อยขอพระบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจงปกครองคุ้มครองกระแสชีวิตของเราทัานทั้งหลาย ขอให้ท่าทั้งหลายจงเป็นผู้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายขอให้เทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอาตมนุษย์ทั้งหลายไฟสตรายพิษโรกละอย่าได้เบียดเบียนมีสีหน้าที่ผ่องใสมีสมาธิตั้งมั่นเร็วไม่หลงทำทานรกิริยาขอให้ท่นทั้งหลายจงสมปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจนเข้าถึงจงสามารถดําเนินชีวิตตามมัชิมาปฏิปทาเข้าถึงอนุ ป, ปาธาปริญญิพานคือการ ส้นจากกิเลสและกองทุกโดยกัรทุกท่านทุกประการเธ อ, อ